ความตายคือการหลับอย่างหนึ่งไม่มีความเจ็บปวดอย่างใดเลยกายทิพย์โดยส p ิ r i t บ o d y นั้นก็มีลักษณะเหมือนกับกายเนื้อนั้นโดยไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นคนที่ตายใหม่ๆจึงไม่ค่อยเชื่อว่าตนได้ตายไปแล้วและในระหว่างที่บุคคลยังไม่ถึงแก่ความตายและยังตื่นอยู่นั้นกายทั้งสองจะอยู่ในสภาพที่แยกกันไม่ออกเลย แต่ในระหว่างหลับกายทิจะถอยออกจากกายเนื้อโดยจะมีสายใยแม่เหล็กหรือแมกเนติกคอร์ดติดเชื่อมโยงระหว่างกันอยู่ทิ่ข้าพเจ้าเรียกว่าสายใยแม่เหล็กนี้ก็อาจจะไม่ถูกนักแต่ก็ต้องเรียกแก้ขัดไปก่อนเพราะยังไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อให้อย่างไรดีกว่านี้อันที่จริงสายใยดังกล่าวนั้นเป็นไลฟ์ไลน์คือสายใยแห่งชีวิตโดยแท้จริง สายใยนี้มีความยืดหยุ่นได้อย่างมหาศาลทางนี้เพราะกายทิพต์สามารถจะเดินทางไปได้ทั่วโลกมนุษย์ในระหว่างที่กายเนื้ออยู่ในสภาพหลับหรือแม้จะเดินทางไปทั่วโลกทิพ์ก็อาจทำได้ในบางกรณีซึ่งทางนี้ย่อมสุดแล้วแต่สภาวะและความเหมาะสมบางประการของบุคคลผู้นั้นเป็นรายตัวไป แต่แม้ว่ากายทิพย์จะได้เดินทางไปห่างไกลจะา ก, กายเนื้อที่กำลังหลับอยู่สักเท่าใดก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างกายทั้งสองก็ยังจะคงมีอยู่ต่อกันอยู่เช่นเดิมโดยที่แม้สายใยจะบางและเล็กลงสักเท่าใดก็จะไม่ขาดได้เลยราดใดที่สายใยไม่เหล็กยังเชื่อมโยองอยู่ระหว่างกายทั้งสองแล้วกายเนื้อจะยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่ในขณะที่กายเนื้อหมดสมัตภาพที่จะให้เป็นที่อาศัยของวิญญาณสายใยนี้จะขาดออกทันทีและจากนั้นวิญญาณคือสปิริตก็เป็นอิสระจากร่างกายสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยธาตุจิตของตนเองส่วนกายเนื้อซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นก็จะแยกธาตุกันออกโดยแต่ละส่วนก็จะกลับไปสู่ที่เดิมของมัน การแตกทำลายของกายเนื้อจึงเป็นผลจากการที่สายใหญ่ดังกล่าวขาดออกและเมื่อกล่าวในแง่ของกายเนื้อแล้วก็คล้ายกับเป็นการหลับอย่างหนึ่งนั่นเองถ้าหากเราคิดถึงเรื่องนี้กันด้วยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาการจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมีสิ่งใดที่น่ากลัวผิดปกติหรืออัปมงคลแอบแฝงอยู่เลย ข้าพเจ้าได้เคยบรรยายให้ท่านผู้อ่านทราบมาแล้วในภาคหนึ่งถึงการหมดสมรรถภาพของกายเนื้อของข้าพเจ้าเองมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายเหลือเกินและก็เป็นไปอย่างพาสุกดีด้วยข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกผิดปกติอย่างใดในขณะที่สายใหญที่เชื่อมโยงระหว่างกายเนื้อกับกายทีบขาดออกข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีการดิ้นรนไม่มีการสะดุ้งหรือช็อกไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างใดเกิดขึ้นเลย เมื่อข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วได้สนทนาตายถามเรื่องนี้กับท่านผู้อื่นหลายท่านด้วยกันในโลกทิพย์ทุกท่านก็รับรองว่าในขณะที่สายใยขาดออกนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีความรู้สึกผิดปกติอย่างใดเลยเหมือนกันเมื่อมองในแง่นี้จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีของธรรมชาติในระยะที่กายทิพย์จะแยกจากกายเนื้อนั้นเป็นไปโดยไม่มีการเจ็บปวดทรมานอย่างใด ความทุกข์ทรมานต่างๆที่อาจจะเกิดมีขึ้นได้นั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายโดยส่วนเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมาจากอุบัติเหตุก็ได้แต่ความทุกข์ทรมานใดๆที่เกิดขึ้นเพราะความตายนั้นจะไม่มีเลยถ้าแพทย์สามารถทําให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปได้ซึ่งก็ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะทาได้แล้วบุคคลผู้กาลังจะตาย จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างใดเลยท่านลองคิดดูก็ได้ว่าเหตุใดการที่สายใยดังกล่าวขาดออกนั้นจึงจะต้องทำให้มีการเจ็บปวดด้วยในเมื่อมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างแท้จริงและต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกปัญหานี้ท่านผู้อ่านโดยมากคงจะต้องนึกถามอยู่ในใจคำตอบก็ง่ายๆนิดเดียว คือต่อจากนั้นผู้ที่ลาจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็จะเข้าไปสู่โลกทิพย์ตามสภาวะหรือภูมิที่สมควรแก่กรรมอันเขาได้กระทำไว้เองในโลกมนุษย์นั่นเองการตอบคำถามกันอย่างง่ายๆเช่นนี้ท่านผู้อ่านคงจะนึกว่าข้าพเจ้าได้กล่าวข้ามสิ่งที่ถือกันว่าเป็นของสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งไปเสียแล้วคือสิ่งที่เรียกกันว่าการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเชื่อกันว่า ทุกคนที่ตายไปแล้วจะต้องผ่านเสียก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปอยู่ในในรกหรือสวรรค์ตามกำลังแห่งบาปหรือบุญที่เขาได้กระทำไว้สำหรับท่านที่มีความคิดหรือความเชื่อเช่นนี้ข้าพเจ้าจำต้องขอกล่าวอย่างเด็ดเดียวว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวข้ามสิ่งดังกล่าวแล้วนั้นไปเลยทั้งนี้ก็เพราะด้วยเหตุผลข้อเดียวคือการพิพากษาคุณและโทษของมนุษย์โดยพระผู้เป็นเจ้าเช่นนั้นไม่มีอยู่เลย ไม่เคยมีการพิพากษาดังกล่าวมาแต่การไหนๆ ไ, ไม่ว่าจะโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือโดยวิญญาณของผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ในโลกทิพย์ไม่มีวนันแห่งการพิพากษาคุณและโทษของมนุษย์เลยคนเราแต่ละคนนั่นแหละจะเป็นผู้พิพากษาคุณและโทษของตนเองผลแห่งความคิดการกระทาและคาพูดของเขาที่ได้ฝังรอยไว้ในจิตของเขานั่นเองจะเป็นผู้พิพากษาของเขา ผลแห่งการพิภาคษาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าเขาสั่งสมกรรมเช่นไรไว้ตั้งแต่ครั้งอยู่ในโลกมนุษย์และต่อจากนั้นเขาก็จะได้รับผลเช่นว่านั้นโดยจะได้ไปอยู่ในสภาวะหรือภูมิที่สมควรแก่ความหยาบหรือพราณีตแห่งจิตของเขาในโลกทิพย์นี้เป็นกฎธรรมชาติอีกประการหนึ่งและก็เช่นเดียวกับกฎธรรมชาติอื่นๆ คือย่อมเป็นกฎที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดมาคอยชี้แจงสั่งสอนหรืออธิบายให้ดำเนินการไปอย่างโน้อนอย่างนี้เลยกฎธรรมชาติเป็นกฎที่ทรงอยู่ได้ดำเนินไปได้ด้วยตนเองโดยไม่บกพร่องและที่สำคัญที่สุดก็คือกฎธรรมชาตินั้นย่อมไม่มีความลำเอียงเห็นแก่นหน้ากันหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เลย ความเชื่อมั่นที่มีกันมาแต่ก่อนๆว่าจะต้องมีเทพผู้คอยจดบันทึกประวัติความดีความชั่วของทุกคนลงไว้ในสมุดเล่มใหญ่โมโหลา น, นั้นอาจจะน่าฟังดีก็จริงแต่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างสิ้นเชิงการจดบันทึกทะเบียนประวัตินั้นเราทุกคนทำกันเองทั้งสิน้นและการกระทาดังกล่าวานี้แหละเป็นเรื่องที่เราโกหกไม่ได้คือเพราะเราอาจจะโกหกผู้อื่นได้ แต่จะโกหกตนเองไม่ได้เลยเราเป็นผู้รู้เห็นในกรรมทุกประการที่เราได้กระทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมฝ่ายดีหรือชั่วก็ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้หมายความถึงเรื่องต่างๆโดยทั่วไป